วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2568เป็นวันหยุดพิเศษเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง4วันด้วยกันคือเป็นวันเชื่อมระหว่างวันเสาร์อาทิตย์ วันอังคารที่จะมาถึงพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติวันนี้เป็นวันขั้นกลางอยู่ทางราชการก็เลยกําหนดให้เป็นวันหยุดเพื่อจะได้มีเวลาหยุดกันอย่างต่อเนื่องสี่วันเพื่อที่จะได้ไปทํากิจอะไรกันได้เป็นกอบเป็นกรรมสําหรับชาวพุทธเราที่มีใจ บุญใจกุศลก็จะถือว่าวันนี้เป็นวันกำไรบุญเพราะว่าเป็นวันที่ได้มีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งวันสำหรับการไปทำบุญที่วัดต่างๆเพราะมีศรัทธามีความเชื่อว่าบุญเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขต่างๆทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ และหลังจากที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วดวงวิญญาณจะไปสู่สุคติไปสู่ที่สูงไปสู่ที่ดีจำเป็นจะต้องมีบุญเป็นผู้สนับสนุนเป็นเหตุเป็นปัจจัยดังนั้นเวลาที่มีโอกาสว่างอย่างเช่นวันนี้ ไม่ต้องไปทำงานทำการก็เลยได้มีเวลาให้กับการเติมบุญเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันบุญในพระพุทธศาสนานี้ถ้าไม่ได้ศึกษาก็อาจจะคิดว่ามีเพียงสองสามอย่างด้วยกันเช่นบุญที่เกิดจากการทําทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนา ซึ่งบุญทั้งสามนี้ถือว่าเป็นบุญหลักบุญสำคัญแต่ก็มีบุญอย่างอื่นอีกที่เป็นบุญและเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งให้ดวงวิญญาณได้ไปสู่สุคติเช่นเดียวกันการทำบุญจึงไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีเงินมีทองเพื่อที่จะได้เอามาซื้อข้าวซื้อของ ให้กับผู้นั้นผู้นี้เพียงอย่างเดียวการทำบุญนี้นอกจากการทำทานคือการให้แล้วยังมีบุญอย่างอื่นอีกในพระพุทธศาสนานี้ก็แสดงไว้ถึงสิบชนิดด้วยกันยกตัวอย่างบุญที่เมื่อกี้นี้มีพระภิกษุกับคณะญาติโยมมากราบ มาแสดงความเคารพอันนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเรียกว่าการเป็นผู้มีความสัมมาคารวะเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีคุณมีความรู้มากกว่าเรา ถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีสัมมาคารวะเราก็อาจจะไม่อยากจะไปกราบใครไปไหว้ใครเราก็จะได้ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ความรู้ต่ตางๆจากผู้ที่เขามีความรู้มากกว่าเราเนื่องจากว่าเขาเกิดก่อนเราเขาได้ศึกษาเขาได้ปฏิบัติมามากกว่าเรา ถ้าเรามีความอ่อนน้อมทำตนมีความเคารพในผู้หลักผู้ใหญ่มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นสำหรับที่เราจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าเราก็ เ, เราจะได้เรียนรู้จากท่านนี่ก็เป็นตัวอย่างของบุญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา คือการเป็นผู้อ่อนน้อมทำตนเป็นผู้มีสัมมาคารวะมีความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นอกจากนั้นแล้วยังมีบุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมพอเราเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีคุณธรรมเราอาจจะไม่รู้ว่าบุคคลที่เราเข้าไปนั้นท่านมีคุณธรรมระดับไหนก็ได้บางท่านอาจจะมีระดับต่ำ บางท่านอาจจะมีระดับสูงก็ได้เพราะว่ารูปร่างหน้าตาของผู้ที่มีความรู้นี้ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งบอกว่ามีความรู้ระดับไหนเราเจอคนนั้นคนนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าเขาจบปริญญาเอกก็ได้ อ, อาจจะเป็นด็อปเตอร์ก็ได้หรือาอาจจะจบปศีก็ได้เพราะรูปร่างหน้าตาของคนนี้มันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกเพราะ <Under. S 2> ฉะนั้น เราก็ต้องอาศัยการเรียนรู้สอบถามจากคนที่เขารู้กันว่าถ้าอยากจะเรียนรู้ความรู้อย่างนี้อย่างนั้นจะต้องไปศึกษาไปเรียนรู้จากใคร mm hmm. ถ้าอยากจะเรียนรู้ทางธรรมเราก็ต้องค้นหาว่ามีใครบ้างที่มีความรู้ในธรรมที่จะสามารถสั่งสอนให้เราได้มีความรู้ทางธรรมได้ mm hmm. ผู้ที่มีความรู้ในทางธรรมที่แท้จริงก็มีพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าและก็ะไตรปิฎกทนที่มีความรู้ทางธรรมที่แท้จริงก็คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราอยากจะเรียนรู้ความรู้ทางธรรมเราก็ต้องไปศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระธรรมคาสอนที่มีบันทึกไวในพระไตรปิฎกก็ดี หรือจากพระ อ, อริยสงสาวุพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ดีถ้าเราได้พบกับบุคคลเหล่านี้เราก็จะได้บุญจากการฟังเทศน์ฟังธรรมอันนี้ก็เป็นบุญ อ, อย่างหนึง่งเมื่อกี้พูดถึงบุญจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้เราเข้าหาผู้ที่มีความรู้มีธรรมได้เพราะจะไม่มีอุปสรรคขวางกัน้น ถ้าเรามีอัตตาตัวตนเราไม่ชอบกราบไหว้ใครเราก็อาจจะไม่อยากจะ่คยเข้าไปหาใครเราก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้ที่เขามีความรู้มากกว่าเราแต่ถ้าเรามีความอดน้อมทมตนเราพร้อมที่จะเข้าหาผู้ที่มีความรู้ที่สามารถให้ความรู้กับเราได้เราก็จะเข้าไปหาได้ง่าย แล้วเมื่อเราได้เข้าพบเราก็จะมีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรม <Yeah. S 2> การฟังธรรมก็ถือว่าเป็นบุญอีกอย่างหนึ่ง <Yeah. S 2> บุญข้อที่สองข้อที่หนึ่งมีความอ่อนน้อมทํามตนนำให้ไปสู่การได้มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาฟังเทศฟังธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่จากผู้ที่มีคุณธรรมสูง <Yeah. S 2> เพราะว่าเวลาเราฟังธรรมเราก็จะได้อนิสงส์อยู่ห้าประการด้วยกัน yeah. คือหนึ่งเราจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเราก็จะได้ยินซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับ 3. เราจะจะช่วยกําจัดความลังเลสงสัยต่างๆที่เรามีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้ส จะทําทให้เรามีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาคือมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นชอบและห้าจะทําทให้จิตใจเรามีความสงบผ่องใส mm hmm. อันนี้สองเหล่านี้เป็นบุญเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของพวกเรา mm hmm. ถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังทำมาก่อนพอเราได้ยินได้ฟังเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องที่เราไม่รู้มาก่อนเ mm hmm. ช่นวิธีทําบุญในพระพุทธศาสนา มีกี่วิธีด้วยกันในพุทธศาสนาก็กำหนดมีสแสดงไว้ถึงสิบวิธีด้วยกันเช่นการฟังเทศฟังธรรมการมีคมอ่อนน้ําถ่อมตนเป็นต้นแล้วพอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปเพราะธรรมจะพูดเรื่องที่เรายัางไม่รู้หรือเรายัางไม่สามารถมองเห็นได้ได้ด้วยตาของเราเอง เพราะธรรมนี้เป็นเป็นนามธรรมไม่ใช่เป็นรูปธรรมที่เราจะสามารถใช้ตาของร่างกายของเราดูมองเห็นได้เราจะเห็นธรรมได้นี้ต้องอาศัยมีการเปิดตาในคือคือดวงตาเห็นธรรมถึงจะสามารถเห็นธรรมได้ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็คือพระอริยบุคคลขั้นต่าง ตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปท่านเหล่านี้จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรก็เห็นบุญเห็นบาปเห็นผลของบุญผลของบาปผลของบุญก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆผลของบาปก็คืออบายทั้งสี่เห็นว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดเห็นว่าน่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกัน ร่างกายตายไปแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไปต่อใจไปสวรรค์ไปนิพพานหรือไปอบายกนอยู่กับบุญกับบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เรื่องนาวเหล่านี้เราจะไม่สามารถที่จะรู้ได้จากการไปศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่างๆต้องไปที่พระพุทธศาสนาท่านั้นที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นผู้สั่งสอนพอเราได้ศึกษาหรือได้ยินได้ฟังธรรมเราก็จะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ว่าใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเมื่อร่างกายของเราตายไปแล้วใจเรายังอยู่ต่อยังไปต่อไปอยู่พบต่างๆตามอานาจของบุญของบาปที่ได้ทำไว้อันนี้ก็จะทาให้เราหายสงสัยเรื่องนรกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่ การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่เพราะมีผู้รู้ยืนยันมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยืนยันมีพระธรรมคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเป็นผู้ยืนยันและมีพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยืนยันว่าของเหล่านี้มีจริงเพียงแต่ว่าเรายังมองไม่เห็นด้วยตาของเราเองเพราะเรายังตามืดบอดอยู่ตาในของเรายังถูกโมหะอวิชชาครอบงาอยู่โมหะอวิชชาก็คือความมืดบอด เหมือนกับเวลาที่ใครเอาผ้ามาปิดตาเราตาร่างกายของเราพอตาร่างกายของเราถูกปิดปั๊บนี่เราจะไม่เห็นอะไรเลย mm hmm. ฉันใดตาในของพวกเราตอนนี้ก็ถูกโมหะอวิชชาคือความรู้ความไม่รู้ความหลง ป, ปิดบังเราไว้อยู่ความหลงก็จะบอกว่าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มี เพราะว่าเขาส่งจรวดขึ้นไปสํารวจบนท้องฟ้าก็าไม่เจอสวรรค์เจาะน้ํามันเจาะใช้เครื่องเจาะลงไปในดินก็ไม่เจอไม่เจอนรกเจอแต่น้ํามันเขาก็ต้องสรุปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องงมงายเพราะเขาไม่เข้าใจว่าเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี้มันเป็นเรื่องของนามธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องของรูปธรรมไม่ใช่เรื่องของโลกกธาตุโลกกธาตุานี้คือโลกของร่างกายที่เราอยู่กันนี้ ไม่มีตะวันไม่มีในโลกธา่านี้ mm hmm. นรกไม่มีในโลกธานี้แต่มันอยู่ในโลกทิพย์ mm hmm. โลกของใจโลกของดวงวิญญาณที่ถ้าไม่มีดวงตาเห็นธรรมไม่ถ้าไม่เปิดตาในก็จะไม่เห็นธรรมต่างๆผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติเท่านั้นถึงจะสามารถเห็นสิ่งที่ตาของร่างกายไม่สามารถมองเห็นได้ mm hmm. คือต้องเห็นด้วยตาใน คือคือคือใจนี่เองใจต้องปฏิบัติจิตตภาวนาเมื่อฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะได้บุญได้ความสุขจากการฟังธรรมแล้วก็ได้ได้รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อขั้นต่อไปก็ต้องภาวนานะถ้าอยากจะพิสูจน์ด้วยตนเองในเมื่อคนที่เราเคารพเรานับถือเราเชื่อว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไม่โกหกหรอกลวงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แต่เราก็ยังมองไม่เห็นด้วยตาของเราเองดังนั้นขั้นต่อไปเราก็ต้องไปยืนยันให้กับตัวเราเองเพื่อเราจะได้หายสงสัยอย่าง100ร้อยเปอร์ซตเื่องต้นก็หายสงสัยไปห้าสบอร์ซนตว่ามี mm hmm. เชื่อว่ามีจริงแต่ยังไม่ได้เห็นด้วยตาของตนเองดังนั้นขั้นต่อไปก็ต้องไปพิสูจน์ให้รู้ให้เห็นด้วยตัเองซึ่ง ผู้ที่ได้ศึกษาได้พิสูจน์มาแล้วก็จะบอกวิธีพิสูจน์ให้ฟังถ้าอยากจะพิสูจน์อยากจะเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้เห็นกันก็ต้องปฏิบัติจิตตภาวนาในการที่จะปฏิบัติจิตตภาวนาได้ได้ผลดีก็ต้องมีการรักษาศีลก่อนอเพราะว่าถ้าไม่รักษาศีลแล้วใจจะวุ่นวาย ใจจะไม่สงบพอที่จะไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาได้ไปภาวนาได้เลยจาเป็นที่จะต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องรักษาศีลระดับที่สูงด้วยคือศีลห้านี้จะไม่เพียงพอเพราะว่าจะไม่มีไม่มีเวลาให้กับการภาวนาเพราะว่าศีลห้ายังไม่ได้ห้ามไม่ให้ไปทำกิจกรรม อย่างอื่นแต่ถ้าถือศีลแปดขึ้นไปนี่จะห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากกิจกรรมการภาวนาเพีย ง, ยงเดียวคือการจเจริญสตินั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็คือวิธีการที่จะนำไปสู่การพิสูจน์เรื่องราวต่างๆที่มีจริงแต่เรายังมองไม่เห็นด้วยตัวของเราเอง ถ้าเราอยากจะรู้จะเห็นว่ามีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่นรกมีจริงหรือไม่การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่ mm hmm. เราก็ต้องไปพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติ mm hmm. การปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา mm hmm. หรือศีลกับภาวนาภาวนานี้เป็นการเจริญสติการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญา เพราะการภาวนาจะแบ่งเป็นสองส่วนสมถภาวนาเป็นการเจริญสมาธิทําใจให้สงบและวิปัสสนาภาวนาเป็นการเจริญปัญญาให้เกิดความรู้เกิดความฉลาดให้ให้เห็นตามให้เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ตามความเป็นจริงได้อ น, นี่ก็เป็นการทําบุญ อ, อีกสองชนิดด้วยกันรักษาศีล การรักษาศีลนี่ก็มีประโยชน์ในตัวของมันเองก็มีประโยชน์ถ้ารักษาศีลห้าได้ก็จะสามารถปิดประตูบายได้ถ้าเราทาทำบุญมากกว่าทำบาปถ้าเรารักษาศีลเราก็จะไม่ทำบาปเราจะทำแต่บุญทำแต่ทานเว<บ>ลาตายไปถ้าเรามีบุญมากกว่าบาปบุญก็จะพาเราไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆจะไม่ไปเกิดในอบาย แต่ถ้าเราไม่รักษาศีลยังฆ่าสัตว์อย่างารักทรัพย์อยั ง, อยงประพฤติผิดในการยังพูดปดโกหกหลอกลวงดื่มสุรายาเมาอยู่ถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญเวลาตายไปดวงวิญญาณของเราก็จะไปรับผลบาปแทนที่จะไปสวรรค์ก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นทศกักายบ้างไปตกนรกบ้าง ขึ้อยู่กับเหตุผลของการทําบาปว่าทําด้วยเหตุผลอนไรถ้าทําด้วยความหลงก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรต ถ, ถ้าทําบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสูรกายถ้าทําบาปด้วยความมาคาดพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะไปตกนรก น, นี่ก็คืออา น, นิสงส์ของการรักษาศีลเป็นบุญเป็น เป็นเหตุที่จะทําให้เราไม่ต้องไปรับรับโทษในอาบายก็ <Yeah. S 2> เหมือนกับท่านอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนกับไม่ต้องไปติดคุกการติดคุกกับการไม่ติดคุกอันไหนดีกว่ากันอการไม่ติดคุกสบายกว่ามีความสุขมากกว่าคนที่ติดคุกอันในคนที่ไม่ต้องไปเกิดในอบายกับคนที่ไปเกิดในอาบายใครจะดีกว่ากันถ้านเราไม่ได้ทําบาป <Yeah. S 2> เลยแล้วถ้านเราเกิดไม่ได้ทําบุญเลย อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่เราก็จะไม่ได้ไปสวรรค์แต่ถ้าเราทำบุญด้วยรักษาศีลห้าด้วยตายไปเราก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆก่อนก่อนที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เวลาที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เป็นช่วงที่บุญและบาปที่มีในใจของเรานี้มันมีกําลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถดึงใจไปสวรรค์ได้ บาปก็ไม่สามารถดึงใจไปอบายได้ช่วงนั้นใจก็จะมารอรับร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่เพราะยังมีกิเลสตัณหาความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่คือยังมีกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่าง ๆ, างๆก็จาเป็นที่จะต้องมีร่างกาย อบุญกับบาปไม่สามารถดึงไปสวรรค์ดึงไปอบายได้ความอยากนี้ก็จะดึงให้ไปเกิดเป็นเป็นมนุษย์ต่อแล้วพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาทําบุญทําบาปต่อไปมาหาความสุขจากลาบลยุทธสารเสรินจากรูปเสียงกลิ่นลสต่อไปจนถึงวันตายพอตายไปก็ไปบุญถ้าบุญมากกว่ บ, บาปก็ไปสวรรค์ถ้าบาปมากกว่า บ, บุญก็ไปอบาย บุญกับบาปเท่ากันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดนอกจากการรักษาศีลห้าแล้วทำบุญแล้วก็ยังจะเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติจิตตภาวนาซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัด เหตุที่พาให้ใจเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันเหตุที่พาให้เราเวียนว่ายตายเกิดก็คือตัณหาทั้งสามที่เมื่อกี้ได้กล่าวถึงการว่าตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเจริญในาะลาภยศเสรเสริญสุขอยากเจริญในโลกกะระทำแล้วก็วิภาวะตัณหาความอยากไม่ให้โลกกะระทำที่เรามีนั่นเสื่อมลงไปได้เงินมาแล้วก็อยากจะให้มันมีอยู่เรื่อยๆไม่อยากให้มันหมด ได้ยศได้ตาแหน่งแล้วก็จะอยากจะให้มันสูงขึ้นเรื่อยอยู่เท่าเดิมไม่อยากให้มันลดน้อยถอยลงไปได้ร่างกายมาแล้วก็จะอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นต้นแต่ของเหล่านี้เราก็ห้ามมันไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเสือ่อมพอมันเสือ่อมมันก็จะทำให้เราทุกข์แล้วเวลาเราสูญเสียไปเราก็จะเกิดความอยากที่จะหามาใหม่ พอร่างกายเก่าตายไปแล้วก็ม า, มาเกิดใหม่เพื่อจะมาหาใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติจิตตภาวนาได้เราก็จะสามารถซักฟอกจิตใจชำระความโลภความอยากทั้งสามนี้ให้หมดสิ้นไปจากใจได้พอเราสามารถทำชำระความโลภความอยากต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ใจเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป ใจของเราก็จะเป็นพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าซึ่งมีสี่ขั้นด้วยกันขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนนาคามีขั้นนาหาันที่มีสสี่ขั้นเพราะว่าการชำระนี้ชำระเป็นขั้นขั้นไปสะอาดเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นส่วนส่วนไปเพราะสิ่งที่เรียกว่ากิเลสอาสวะหรือกิเลส ปัญหานี้มีอยู่สิบตัวด้วยกันที่เรียกว่าสังโยชนิสิบสังโยชนิสิบนี้จะต้องใช้การปฏิบัติจิตตภาวนาสมถภ า, าวนาและวิปัสสนาภาวนาจึงจะสามารถที่จะกำจัดสังโยชน์ทั้งส0บได้สังโยชน์สามข้อแรกถ้ากำจัดได้ก็จะเป็นพระโสดาบันสังโยชน์อีกสองข้อต่อมาข้อที่สี่ข้อที่ห้า ถ้าทำให้เบาบางได้ก็ได้ขั้นที่สองคือขั้นพระสะกิราคามีแล้วถ้าสามารถกำจัดสังโยชน์ข้อที่สี่ข้อที่ห้าได้หมดก็ได้เป็นพระอนาคามีถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังต้องไปเกิดเป็นพรหมอยู่จนกว่าจะสามารถชำระสังโยชน์ที่เหลืออยู่อีกาข้อให้หมดไปได้ อสังโยช้าข้อที่เหลืออยู่ในใจได้ถูกการชำระหมดไปแล้วใจก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาใจก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปดังนั้นถ้าอยากจะได้บุญที่ที่สูงสุดก็ต้องสร้างบุญที่เกิดจากการบาเพ็ญจิตตภาวน า, าแต่การบาเพ็ญจิตตภาวน า, านี้มันก็เป็นของที่ไม่ง่ายเหมือนกับการทำบุญทำทานหรือรักษาศีลห้า เพราะว่ามันจะต้องให้เวลากับการปฏิบัติจิตตภาวนาตลอดทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นจึงจะสามารถสักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุดได้เพราะว่ากิเลสตัณหาตัวที่ทําให้จิตใจเศร้าหมองตัวที่พาให้จิตใจมาเวียนว่ายตายเกิดมันทํางานตลอดยี่บสี่ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นเองดังนั้น ถ้ามันทำงานตลอด24ชั่วโมงแล้วเราไม่มาคอยชาระมันตลอด24ชั่วโมงเราก็จะทำไม่ทันมันแต่ถ้ามันทำเวลาไหนมันทำเราก็มากำจัดมันทุกเวลาที่มันทำงานแล้วก็กำจัดมันพอเราเตื่นขึ้นมากินเลยก็ทำงานแล้วอยากกินนู่นอยากกินนี่ขึ้นมาแล้วอยากไปเที่ยวที่นั่นอยากไปเที่ยวที่นี่อยากจะทำอะไรนูน่นต่างๆขึ้นมาเราก็ต้อง สามารถที่จะใช้สติใช้ปัญญามาสกัดกั้นมันให้ได้ถ้าเราสกัดกั้นมันได้ทุกเวลาที่มันทํางานเราก็จะสามารถที่จะกําจัดมันให้หมดไปจากใจได้ใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเอาใจของเราก็ไม่ต้องมาต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันเป็นการเข้าหาความทุกข์ โลกนี้เป็นเหมือนโลกเหมือนกองไฟทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้ต้องทุกข์ด้วยกันทุกคนไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเกิดสูงเกิดต่ำก็ตามเกิดรวยเกิดจนก็ต้องเจอกับความทุกข์เหมือนกันก็คือความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ของการพัดพากจากกันแต่ถ้าไม่อยากจะเจอกับความทุกข์เหล่านี้ก็ต้องยุติการเกิดให้ได้ นั้บุญที่จะทําให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือก็คือการบําเพ็ญจิตตภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาแต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงจิตเข้าถึงสมถวิปัสนาภาวนาได้เราก็ต้องมีมีศีลบุญที่เกิดจากการรักษาศีลตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปแล้วก่อนที่เราจะรักษาศีลแปดได้เราก็ต้องมารักษาศีลห้าให้ได้ก่อน อ่ารักษาห้าข้อยังไม่ได้ก็ยากต่อการที่จะไปรักษาอีกสามข้อได้ mm hmm. ก็ต้องรักษาศีลห้าก่อนและการที่จะรักษาศีลห้าได้ก็ต้องเป็นคนใจที่มีความเมตตากรุณาไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นชอบช่วยเหลือผู้ชอบทชอบให้ความสุขแก่ผู้อื่นก็ต้องเป็นคนที่ชอบทำบุญทาทานก่อน การทำบุญทำทานนี้จะหล่อล้อมจิตใจให้มีความเมตตาให้มีความกรุณาุมิตาไม่ชอบเบียดเบียนใครไม่ชอบรังแกใครไม่ชอบสร้างความทุกข์ความเสียหายให้กับใครชอบให้ความสุขแก่ผู้อื่นพอพอสามารถทำทานได้ก็จะสามารถรักษาศินห้าได้และพอรักษาศินห้าได้ก็จะสามารถรักษาศินแปดต่อไปได้ พอรักษาศีลแปดได้ก็จะมีเวลาไปเจริญสมถภาวนาไปเดินจงกรมนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้พอใจสงบก็จะมีกําลังสอนใจให้เห็นให้เห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งปวงให้เห็นอริยสัจ ส, สี่ให้เห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากต่างๆของตนเองถ้าอยากจะให้ความทุกข์ต่างๆในใจหมดสิ้นไป ก็ต้องละความอยากอานยาละความอยากก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือนี่อันนี้เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องบุญที่สูงสุดบุญที่เป็นขั้นเป็นตอนบุญที่จะทำพาให้เราได้หลุดพ้นก็สรุปกลับมาที่บุญสามข้อใหญ่ๆนี่ก็คือการทาทานการรักษาศีลการบำเพ็ญจิตตาภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนา พอเราสามารถบำเพ็ญทำขั้นเหล่านี้ได้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปงุญการเข้าถึงพระ น, นิพพานที่เป็นบรลมัสุขนิบานังปรลมังสุขขังก็จะปรากฏขึ้นมาในใจนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้เป็นสถานที่ไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่ไม่ได้อยู่ที่กูเก็ตแต่อยู่ที่ในใจของเรานี่แหละแต่ใจของเราจะปลูกนิพพานขึ้นมาได้ต้องไปอยู่ที่สงบ พออยู่ที่ไม่มีคนพุกพลาดไม่มีรูปเสียงกลิ่นลสต่างๆมายุ่ยวนกลนใจต้องไปปีกวิเวกอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบสงัดแล้วใจก็จะได้พรอบ ป, ปลูกพระนิพพานขึ้นมาได้เห mm hmm. มือนกับการปลูกข้าวปลูกข้าวต้องหาเนื้อห า, หาดินที่มีดินดีน้ําดีถ้าไปปลูกข้าวบนภูเขามันจะไม่ค่อยขึ้น ถ้าไปปฏิบัติธรรมในเมืองในบ้านในเมืองมันจะปฏิบัติยากกว่าการไปปฏิบัติตามป่าตามเขาแต่นิพพานไม่ได้อยู่ในบ้านในเมืองไม่ได้อยู่ตามป่าตามเขาแต่นิพพานอยู่ในใจของพวกเราทุกคนเพียงแต่เิกใจของเราจากใจที่ไม่สะอาดใจที่มีกิเลสครอบงำให้กลายเป็นใจที่สะอาดเท่านั้นเองใจของเราก็จะกลายเป็นนิพพานขึ้นมา ต, ตอนนี้ใจของเราเป็นสังสารวัตใจของเรายัางเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราต้องคลิกมันให้กลับมาเป็นเป็นนิพพานด้วยการทําลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปแล้วเราก็จะได้เข้าสู่พระนิพพานได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้แหละเป็นบุญขั้นสูงสุดแต่ก่อจะถึงขั้นนั้นได้ก็เหมือนกับการศึกษาปริญญาเอกนี่ย ก่อนจะไปถึงเป็นปริญญาเอกได้เราก็ต้องเริ่มต้นที่อนุบาลก่อน อ, อย่างนี้นอกจากอนุบาลยังไม่พอต้องเริ่มต้นเตียมอนุบาลก่อนเพราะช้านี้ถามเด็กคนหนึ่งไปโรงเรียนหรือยังไปแล้วค่ะอยู่เตียมอนุบาลค่ะเตียมอนุบาลแล้วอนุบาลอีกสามปีแล้วถึงค่อยไปอยู่ปถมมีหกปีปถมแล้วก็ต้องไปมัธยมมีหกปีไปปตีอีกสี่ปีปโทอีกสองปี พออีกสามหรือห้าปีนั่นแหละกว่าจะจบก็อายุเกือบสามสิบก็ไปละเนี่ย <Yeah. S 1> ทางโลกยังต้องใช้เวลาแล้วทางธรรมจะมานั่งสมาธิปุ๊บแล้วบรรลุมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเลยมันก็เป็นของที่เป็นไปได้เหมือนกันสาหรับคนบางคนถ้าเคยทํามาแล้วในชาติก่อนๆคนบางคนที่บรรลุได้เรียวเพราะเขาเขาจบหลายชั้นมาแล้วก็ไม่ต้องมาเริ่มต้นที่ที่อนุบาล ถ้าอาจะอยู่ชั้นปอตีแล้วก็ได้พอเข้ามาขยับมาปฏิบัติต่อเขาก็ขึ้นปอโทปอเอกไปได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้เริ่มต้นเลยเราก็ต้องเริ่มต้นจากอนุบาลไปก่อนอทําทานได้หรือยังรักษาศีลได้หรือยังแล้วค่อยไปภาวนาไปบําเพ็ญจิตตภาวนาต่อไปอนี่ก็คือเรื่องของบุญต่างๆที่เอามาฝากท่านในวันนี้เนื่องจากวันเป็นวันกําไรบุญ ก็ก็คิดว่าพอดีสมควรกับเวลาเวลาที่กำหนดให้กับการแสดงธรรมก็สามสิบนาทีแรกก็ได้สิ้นสุดลงแล้วแล้วในสามสิบนาทีต่อมานี้จะเป็นการปฏิบัติธรรมนะตอนต้นเราฟังแล้วเรารู้วิธีแล้วตอนนี้เราจะมาทำขั้นสูงเลยขั้นสมถะภาวนาเลยโือการนั่งนั่งสมาธินี้เราเรียกว่าเราอยู่ในขั้นภาวนา เวลาเราภาวนาที่เราก็มีศีลแะเพราะตอนที่เรานั่งเฉยๆเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราไม่ได้ไปรักทรัพย์เราไม่ได้ไปประพฤติผิดในการมเราไม่ได้พูดปดเราไม่ได้ดื่มสุรายาเราไม่ได้ไปกินอาหารเย็นเราไม่ได้ไปทําอะไรผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเลยแสดงว่าเรามีศีนลนะ้นี่สิ่งที่เราต้องทําต่อจากศีลก็คือเราต้องสร้างสมาธิขึ้นมาด้วยการจเจริญสติ ด้วยการนั่งเฉยๆนั่งหลับตาทําใจให้นิ่งให้สงบถ้าเราหยุดใจให้นิ่งให้สงบได้หยุดใจไม่ให้คิดอะไรได้ใจก็เข้าสมาธิได้ใจก็จะสงบนิ่งแล้วก็เกิดความสุขันยิ่งใหญ่ขึ้นมานี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิที่เราจะทํากันต่อไปการนั่งสมาธิจะให้ผลดีจะให้ใจนิ่งให้ใจสงบจําเป็นที่จะต้องมีสติเป็นผู้คอยกํากับใจ สตคิคือการระลึกรู้ให้สติให้จิตควบคุมใจให้ระลึกรู้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์ที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบได้นี้เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี้มีหลากหลายชนิดด้วยกันวิธีนั่งสมาธิถึงมีหลากหลายวิธีบางสานักก็ให้นั่งยุบหนอพองหนอบางสานักก็ให้นั่งบริกรรมพุทโธ บางสำนักก็ให้นั่งดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกบางสำนักก็ให้สวดมนต์ไปก่อนบางคนก็ให้สวดสัมมา阿拉าหังบางสำนักก็ให้เพ่งดูลูกแก้วทั้งนี้เป็นกรรมฐานทั้งนั้นลมหายใจเข้าออกก็เป็นกรรมฐานทำบริกรรมพุทโธพุทโธก็เป็นกรรมฐานการเพ่งลูกแก้วก็เป็นกรรมฐานการสวดสัมมา阿拉าหังก็เป็นกรรมฐาน เหล่านี้สามารถเป็นอารมณ์ผูกใจไว้ได้แล้วแต่ว่าจะถูกจริตของผู้ปฏิบัติชนิดไหนก็ให้เลือกใช้ชนิดนั้นไปเพราะคนเราอาจจะเริ่มต้นมาเริ่มต้นปฏิบัติจากหลายสำนักด้วยกันบางคนก็ไปสำนักที่สอนยุบหนอพองหนอก็ติดยุบหนอพองหน่อมาบางคนไปสำนักเพ่งนูกแก้วก็ติดการเพ่งนูกแก้วมาก็ใช้ได้เหมือนกันใช้แทนกันได้เพ่งนูกแก้วก็ได้ แห้งลมหายใจเข้าออกก็ได้แห่งที่หน้าท้องก็ยุบหน่อพองหน่อแห่งที่ปลายจมูกก็เรียกว่าอาณาปณะสติคือกรรมฐานเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจถ้าเรามีสติผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้พอไม่คิดแล้วใจก็จะเริ่มค่อยๆสงบลงค่อยๆสงบลงไปนในที่สุดก็จะสงบนิ่ง การสงบนิ่งก็มีหลากหลายลักษณะบางครั้งก็แบบตกหลุมตกบอก่อตกจากที่สูงลงมาก็มีตกจากที่สูงวุบลงมาแล้วก็นิ่งสงบสบายบางครัง้งก็ลงมาเป็นขั้นๆลงมาทีละขั้นเหมือนขั้นบันไดสงบนิดหนึ่งสงบนิดหนึ่งสงบทีละขั้นก็มีดังั้นอย่าไปอย่าไปกังวลกับวิลักษณะของการความสงบว่ามันจะสงบแบบไหน ไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไหร่มันจะเมื่อไหร่มันจะลกหลุมตกบ่อสักทีทํานองนี้เวลนานั่งไม่ให้ไปสนใจกับเรื่องอย่างนี้ให้สนใจอยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวให้ใจเราอยู่กับกรรมฐานอย่างเดียวถ้าอยู่กับลมก็อยู่กับลมอย่างเดียวอยู่กับพุทโธก็อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวถ้าอยู่กับลมอยู่กับพุโทโธไม่ได้จะสวดมนต์ไปก่อนก็ได้เพราะบางทีเวลาเริ่มต้นใจยังฟุ้งอยู่ยังคิดมากอยู่ ก็พยายามสวดมนต์ไปจนกระทั่งรู้สึกว่าความฟุ้งซ่านได้หายไปแล้วสามารถพุทโธได้หรือสามารถดูลมได้ค่อยกลับมาทําพุทโธหรือดูลมหายใจต่อและเวลานั่งถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปตามรู้มีแสงมีเสียงมีมีภาพมีอะไรก็อย่าไปสนใจผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานตลอดเวลาแล้วใจจะปลอดภัยถ้าไปตามรู้เดี๋ยวก็จะเกิดอาการหวาดกลัวขึ้นมาก็ได้ ถ้าไปเห็นภาพที่น่ากลัวขึ้นมาดังนั้นอย่าไปสนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นในขณะที่เราภาวนาให้เราผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานแล้วใจเราก็จะสามารถเข้าสู่สมาธิได้แต่ถ้าเราปล่อยให้ใจไปตามรู้เดี๋ยวเราก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้<ม>การการปฏิบัติก็จะล้มเหลว<ม>ถ้าไม่อยากให้ล้มเหลว อ, อย่าให้สําเร็จก็ต้องผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานเพียง อ, อย่างเดียว หรือว่าเวลาร่างกายมีมีการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจเหมือนกัน uh huh. คันตรงนั้นคันตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับการมันานไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทุกประเภทแล้วต่อไปเราก็จะไม่อยากไปหาความสุขในรูปแบบอื่นอีกต่อไป เพราะว่าความสุขในรูปแบบอื่นล้วนในนี้มันมันมีความทุกตามมาทุกรูปแบบเพราะมันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของที่พอมันหมดไปมันก็จะทำให้เราเศร้าทำให้เราเสียใจแต่การความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธินี้ไม่มีวันหมดเพราะว่าเมื่อเรานั่งได้แล้วทำได้แล้วเราก็สามารถทำได้ตลอดเวลาทุกเวลาที่เราต้องการเข้าสมาธิเราก็เข้าได้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 ถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งไว้ว่านั่งแบบนี้แล้วทําให้ใจเราสงบคราวหน้าเวลาเรามานั่งใหม่เราก็ใช้วิธีเดิมอยา่าอย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบความอยากอย่างเดียวไม่สามารถทําให้มันสงบได้ต้องนั่งให้ถูกวิธีวิธีที่เรานั่งแล้วสงบในวันนี้เราสามารถเราไปใช้ต่อในวันข้างหน้าได้ถ้านั่งยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อย ก็ควรฝึกสติเจรันสติในระหว่างวันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พยายามระลึกถึงพุโทโธพุโทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะทำอะไรก็ตามถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็ให้คิดว่าพุโทโธพุโทโธไปดีกว่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้จะทำให้ใจลอยแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปิริปุเรนติสาคระละมเอวเมวะอิโตจิน e ังเปตานังอุปกปติอ oh ิจิตังปจิตัง e ตุมหังคิปเมวะสมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยัทามณิโชติ อาราโสยะธาสพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลทสานิจังวุธาปจายโนจตารโหธมมมวะทานเตอายุวันโสุขัง <า>อช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกต่อการถามตอบคําถามหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะถามเดี๋ยวรอเข้าเข้าคิวได้แต่ก่อนจะถามเดี๋ยวจะมีเรื่องนิดหนึ่งก่อนก็คือวันนี้มีผู้ติด ต, ตามทั้งหมดเท่าไหร่ กราบเรียนครับพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ236ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ266ท่านทาง YouTube ดร v 56ท่านทางวิทยุออนไลน์9ท่านทาง c l ับเฮ u s ์4ท่านผู้รับฟังหน้ากุติ139ท่านรวมทั้งหมด เจ็ดร้อยสิบท่านครับโอเคมิยาโยมอยากจะถามตรงไหมแบบไม่พูดใกล้ใกล้ไหมหน่อยังหัวกลมกล ม, มการมณมตสการ์ทาจังค่ะออขอเมตตาขยายความหมายของออวิโตกวิจารณ์นะคะค่อยหน่อยค่ะขอบคุณค่ะวิโตกก็แปลว่าตรึกวิจารณ์แปลว่าตรอง เวลานั่งสมาธิเราจะตึกตรองอยู่กับเรื่องของพุทโธเรืเรื่องของลมหายใจเข้าออกไม่ได้ไปตึกตรองเรื่องการบ้านการเมืองธุรกิจการค้าอะไรให้ตึกตรองอยู่กับพุทโธพุทโธหรือกับลมหายใจเข้าออกเป็นต้นถ้าเราตึกตรองอยู่กับเรื่องเดียวเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อยื่อเลานั่งพุทโธนี่แสดงว่าเรากำลังตึกกาลังตรองอยู่ตึกก็รู้ว่าเรากาลังพุทโธ ตรองก็รู้ว่าตอนนี้เรายังพุทโธอยู่ยังไม่หยุดพุทโธจะตึกตรองไปดูลมไปดูลมมันรู้ว่าตอนนี้ลมเข้าลมออกก็เรียกว่าตรองเหมือนกันอย่าไปตรองเรื่องอื่นให้เอาเรื่องเดียวเรื่องของกรรมฐานอารมณ์ที่เราใช้ในการกํากับใจแล้วใจจะเข้าสู่ความสงบนะ้พอเราเริ่มตึกตรองนี้เราก็เริ่มเข้าสู่ฌานขั้นที่หนึ่งนะมีตึกมีมีตึกมีมีตกมีวิจารณ์ แล้วเดียวกเกิดปิติเกิดสุขขึ้นมาอ๋อเข้าใจแล้วก็เป็นขั้นขั้นตอนของการพั้นามันก็เข้าไปเข้าไปเป็นขั้นขั้นเหมือนกับเกยียรถยนต์แล้วตน้นเกียร์หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเขาเกียร์สองเกียร์สามไปเรื่อยอ๋อใ้เรามีสติอยู่กับกรรมฐานอย่างเดียวเราพอไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปสร้างตึกตรองขึ้นมาไม่ต้องไปสร้างปิติสร้างอะไรอันนี้เันเป็นผลที่เกิดจากการที่เรามีสติอยู่กรรมฐาน เข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ครับอ๋อเดี๋ยวก็เอ่อขอเออคือวิโตคือใจอยู่กับอารมณ์เดียวกันจิตกับอยู่กับอารมณ์เดียวกันเดี๋ยววิวิจารนะคือรู้ว่ารือว่าเขาอยู่สงบขึ้นแล้วก็ก็ไปได้ชั้นชั้นหนึ่งชั้นอ่จมันจะไปของมันเองถ้เราอยู่กับกรรมฐานให้รู้อยู่กรรมฐานอย่างเดียวรู้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไป S <S แสดงวาเรากำลัลงเติร์ตรองอยู่แล้วพอเราไม่ไปคิดเรื่องอื่นมันก็จะเกิดปิติเกิดสุขขึ้นม า, ออาถ้าเด็กในสุขก็ไปถึงอุเบกขามันก็ยันนิ่งสงบเป็นอุเบกขาขึ้นมาค่ะเ ข, ข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะยังมีาอาจารย์โยพิศาชุดกลาวสรมมสการค่ะคือหนูอยู่ญี่ปุ่นค่ะก็พึ่งมา พบกับท่านอาจารย์ครั้งแรกแล้วเพิ่งได้นั่งสมาธิครั้งแรกช่วงระหว่างที่ที่ท่านสอนก่อนที่จะนั่งสมาธิก็หนูก็เริ่มนั่งพอนั่งปุ๊บก็รู้สึกเหมือนนั่งไปสักพักหนึ่งก็คือรู้สึกใจเหมือนลนดับจากที่ช่วง มันมันวูบมันอะมันวูบลงมาค่ะตกลงจากที่สูงค่ะมันลิบลิบตกมาลิบขาดนี้ค่ะแล้วแหะมันเข้าสู่ความสงบมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ให้รู้เฉยๆไปให้มีสติรู้ไม่ต้องไปทําอะไรครับถ้ามันนิ่งก็ให้มันนิ่งไปนานๆต้องเกิดความสุขถ้ามันเกิดความสุขแล้วมันไม่อยากจะไปไหนแล้ว่ะมันอยากจะอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวมุตโนยละ แต่ของหนูมันกลับมาค่อนข้างเร็วก็ใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนี้เรียกคำนี้กะสมาธิเหมือนกับฟ้าแลบเหมือนกับงูแลบลิ้นเหมือนกับฟ้าแลบเป็นแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาถ้าเราฝึกไปไปๆๆต่อไปมันก็จะนิ่งนานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยสติเรายังมีกําลังน้อยมันเลยหยุดมันได้เพียงแป๊บเดียวมันแตะเบรกแค่ครั้งเดียวรถก็รถก็สะดุดทิ้งแล้วก็วิ่งต่อไปแต่ถ้าเราเหยียบเบรกไปนานๆมันก็จะ มันก็จะไม่วิ่งได้นานขึ้นต้องฝึกไปเรื่อยๆใช่ไหมคฝึกไ ป, ไปเรื่อยๆโดยเฉพาะสตินี่ต้องฝึกทั้งวนันทั้งตลอดเวลาเลยสติยิ่งมีมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะนิ่งได้นานขึ้นเลยเราฝึกสติได้ทั้งวันเลยเปงดตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปค่ะอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ถ้าไม่มีคำจําเป็นจะต้องคิดแล้าเดี๋ยวเวลานั่งสมาธิมันก็จะนิ่งได้ได้ง่ายได้นานค่ะขอบพระคุณค่ะ อาจารย์มีอีกท่านหนึ่งขอไมคกรโปรง้างหต่อกราบนมัธการค่ะพระอาจารย์ปกติจะนั่งได้ไม่เกินสิบห้านาทีะคะ่ะวันนี้นั่งได้สามสิบนาทีช่วงที่ก่อนที่พระอาจารย์จะบอกว่าสามสิบนาทีแล้วะคะ่ะมันจะเหมือนมีเหล็กมาพันที่ขาะคะ่ะเจ็บมากๆเลยค่ะแล้วก็ก็เลยพยายามปล่อยปล่อยแล้วก็มันจะรู้สึกอึดอัดนิดนึงนะคะ่ะ ทีนี้ไม่ทราบว่าจะต้องทําจิตยังไงคะพระอาจารย์ถ้าเจอความเจ็บก็ให้อยู่กับกรรมฐานไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บคอถ้าเราใช้พุทโธก็อยู่พุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บแล้วถ้าเราไม่สนใจแล้วเดี๋ยวอาการเจ็บก็จะไม่มาลบกวนใจเราคแต่ถ้าเราไปสนใจมันก็จะทําให้มันจะมาลบกวนใจเราอยู่เรื่อยๆเวลาเจ็บอย่าไปสนใจให้กลัเอาที่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปต้องเร่งเลยใช่ไหยคะเร่งทุกทีเร่งก็ดี อะไรได้ก็เล่งไปเอ่อคือต้องผ่านสามสิบนาทีขึ้นไปหรือเปล่าคะถึงว่าเจ็บน่บางทีห้านาทีก็เจ็บก็มีสลับบางคนสิบนาทีก็มีแล้วแต่วันวันไหนสติไม่ค่อยดีมันจะเจ็บแล้ววันไหนสติดีมันจะไม่ค่อยเจ็บบางทีไม่เจ็บเลยก็ได้อ๋อก็อยู่กับสติค่ะค่ะแล้วเวลามันเจ็บแสดงว่าสติเราหมดแล้วต้องรีบสร้างสติขึ้นมาใหม่ต้องรีบพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่าไปสนใจกับอะไร แล้วเดี๋ยวสติกลับมาแล้วมันก็เฉยได้ค่ะขอบคุณค่ะเมื่อวานนั่งได้สิบเมื่อวานนั่งได้ยี่สิบนาทีค่ะวันนี้ได้สามสิบนาทีค่ะพยายามนั่งทุกวันนะค่บขอบคุณค่ะมีคำถามจากทางย u t u b เจ้าค่ะหลวงตาคะถ้าผู้ใหญ่ทำร้ายเราเขาจะบาปไหมคะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ทำร้ายใครก็บาปทั้งนั้นนะ่ะ การทำร้ายกันไม่ดีทำให้ผ <Kub uman spaghetti> ู้อื่นเขาเจ็บทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนนี้เป็นการกระทำบาปเพียงแต่ว่ามันจะบาปมากบาปน้อยถ้าทำเขาเจ็บมากก็บาปมากทำเขาเจ็บน้อยก็บาปน้อยอถ้าฆ่าเขาเลยยิ่งบาปบาปหนักขึ้นไปอีกงั้นอย่าไปทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ต่างแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ควรจะไปทำร้ายเขาแต่มันจะเป็นมดเป็นยุงเป็นอะไรก็ปัดเข้าไปไล่เข้าไปก็พอ เจาหาจากอินบ็อกซ์กราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้านั่งสมาธิแล้วรู้สึกขึ้นมาว่าตัวเอียงคอไม่ตรงต้องจัดท่ากลับมาให้ตัวตรงคอตรงไหมคะไม่ต้องหรอกถ้าเราเริ่มเริ่มภาวนาแล้วเราก็อย่าไปสนใจเรื่องร่างกายถ้าไปสนใจเราก็กลับไปเริ่มต้นใหม่ก็จะไปไม่ถึงไหน เหมือนเราขับรถออกจากบ้านพอนึกถึงว่าลืมกุญแจไว้ตรงนั้นตรงนี้อ้าวขับรถกลับมากลับมาอ้าวไม่ได้ลืมเนี่ยอยู่ในกระเป๋าอขับรถไปใหม่เดี๋ยวลืมปิดไฟหรือเปล่ามันก็จะไม่ได้ไปไหนการภาวนานี้เราจะต้องการดึงใจให้เข้าไปข้างในให้ออกจากร่างกายแต่พอเรากลับไปที่ร่างกายแล้ว ก, กลับเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมเราพอเราเริ่มนั่งแล้วนี้จะรู้สึกว่ามันเอ็นไปทางซ้ายเอ็นไปทางขวาเอ็นไปทางข้างหน้าข้างหลังก็ไม่ต้องไปปรับมัน คันตรงนั้นคันตรงนี้ก็ไม่ต้องไปเกาหยุดปล่อยวางร่างกายชั่วคราวให้อยู่กับกรรมาฐานไปแล้วเดี๋ยวอาการเหล่านี้มันก็จะหายไปเจ้าค่ะจาก YouTube ถ้าเราเสพสื่อก่อนนอนหลับแล้วเก็บเอาไปฝันในความฝันเป็นฝันไม่ดีแสดงว่าบาปมากกว่าบุญไหมครับก็เอาเรื่องไม่ดีเข้าไปในใจก็เอาขยะเข้ามาในบ้านเนี่ย อ่ามันก็ส่งกิ่นเหมืนเป็นธรรมดามัไม่าไปติดตามเรื่องที่ไม่ดีถึงแม้เรายังไม่ได้ทําไม่ดีก็ตามแต่มันก็เริ่มเอาของไม่ดีเข้ามาในใจนะเราเดี๋ยวต่อไปใจเราก็อาจจะไปทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีต่อไปได้ค่ะจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะขอสอบถามพระอาจารย์ค่ะลูกอยากทราบว่าเวลารับพร ลูกอุทิศส่วนกุศลผลที่ทำให้แก่คุณบิดามารดาปุยยะตายายเจ้ากรรมในเวรของลูกทั้งที่ลูกเจตนาและลูกไม่ได้เจตนาลูกทำถูกหรือว่าทำผิดคะหรือว่าลูกควรทำจิตใจให้มีสมาธิพร้อมที่จะรับพรจากพ่อแม่ครูอาจารย์คะลูกขอคำชีนน้แนะจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะคือ พูดตามหลักการอุทิศบุญนี้เราอุทิศบุญได้ทันทีหลังจากที่เราทำบุญแล้วโดยที่ไม่ต้องรอพระมาให้พรเราก่อนแล้วค่อยอุทิศเพราะว่าเวลาเราทำบุญนี้พรเกิดขึ้นแล้วบุญเกิดขึ้นแล้วเราสามารถอุทิศได้เลยพระไม่เกี่ยวพระที่มาสวดให้เรานี้เป็นสวดให้กำลังใจแสดงความยินดีว่ า, าทำบุญแล้วจะได้ไปสวรรค์นะจะได้มีความสุข ด้วยอายุวันนะสุขะภะละอันนี้เป็นคำสอนเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกันเวลาพระสวดเราก็นั่งฟังไปเวลาอุทิศบุญเราก็อุทิศของเราไปไม่ต้องมาทำพร้อมกันแต่จะทำพร้อมกันก็ไม่ว่าเพราะเข า, เขาชอบทำพร้อมกันเขาจะแบ่งการอุทิศกับการรับพรเป็นสองช่วงช่วงแรกเวลาที่พระว่ายาถาสภภัพพีย่ยาถาองเดียวนี้เป็นช่วงที่ท่านบอกวิธี อุทิศบุญช่วงนั้นเราก็จะเทน้ำใส่ขวดน้ำไปพอท่านหยุดย่าถาแล้วพอพระเริ่มสวดสภภัพเพพร้อมกันเราก็หยุดกวดน้ำล้วก็พนมมือรับพรเขาเรียกว่าย่าถาให้ผีสภภัพเให้เพาะให้ให้คนนั่นใช่ไ่าเชิญ านมัสการค่ะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกลำดับขั้นการปฏิบัติอะคะ่ะก็คือทานศีลภาวนาใช่ไหมคะแล้ว ส, สุดท้ายสูงสุดอะก็คือการภาวนาทีเนี้ยคะ่ะทุกคนที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่อะเป็นเพราะความอยากที่พระอาจารย์เทศเอิงเลยอยากทราบว่า พอเราปฏิบัติถึงขั้นภาวนาค่ะเราจะสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะว่าเราแบบหยุดอยากแล้วแล้วจิตดวงเนี้ยจะไม่มีที่ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ก็ตามนรกก็ตามหรือว่ามนุษย์ก็ตามอะค่ะเหมือนขับรถน้ํามันหมดแล้วรู้เปล่าคนขับรู้จอดใช่ไหมรถ <c oughs> ใจก็เหมือนกันพอน้ํามันที่คอยผลักดันใจให้ไปไปนู่นมานี่มันหมดก็อยู่กับที่ไม่ไปไหนแล้วไม่อยากไปไหนแล้วอยู่บ้านเฉยๆก็ได้ แปลว่าวันนั้นเราจะรู้เองอ่าต้องรู้เองอย่างนี้พระเจ้าจะรู้ได้ไงว่าท่านดรอทรู้แล้วสันทิติโกะอ่าแล้วถ้าอีกอีกประเด็นหนึ่งค่ะก็คือเรื่องความตายค่ะเราสามารถรู้ได้ก่อนที่ความตายจะมาถึงหรือว่าเราจะรู้ตอนที่ตายเลยค่ะคือมันก็เป็นเหมือนกับการพยากรณ์ดินฟ้าอากาศร่รางกายมันจะแสดงอาการต่างๆ ที่เราอาจจะประเมินได้ว่าเออไม่เกินสามเดือนไม่เกินหเดือนอันนี้ก็อาจจะทำงานเป๊ะๆว่าวันนี้เวลาสิบสองนอจุดศูนนี้จะต้องเกิดการตายขึ้นมาอันนี้อาจจะไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ไม่แน่นะแล้วแต่ยานของแต่ละคนที่สามารถประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเป็นขั้นขั้นไป เหมือนกับเขาพยากรณ์ว่าจะมีพายุเข้ามาแล้วสามวันจะอยู่ที่เวียดนามอีกสองอีกสองวันต่อมาจะมาอยู่ที่อีสานนี่เขาเขาดูได้แต่บางทีมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อาจจะมีภาวะอย่างอื่นเข้ามาแทรกซ้อนขึ้นมาแล้วอาจจะทําให้การพยากรณ์ของเขไม่ตรงเป๊กก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันเราจะรู้เองเ ร, เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะรู้ว่าอีกสองสามวันจะดีขึ้นน ะ, ะแล้วเดี๋ยวเราก็พอพยากรณ์ได้เหมือนกันอันนี้ก็แบบเดียวกัน ตามความรู้ตามความเข้าใจของเราเนะี่ยแต่สำหรับผู้ที่มีเลงมียานที่เลงไกลลึกกว่านี้อาจจะรู้มากกว่าก็ได้อันนี้ไม่ไม่ขอไม่ขอโอเคค่ะงั้นแปลว่าเอองก็ทําตามขั้นไปเดี๋ยวเอองจะรู้เองเออมากินข้าวมากินไว้เถอะเดี๋ยวอิมมันจะรู้เองต้องไปถามใครก็ฉันอิมด้วยอย่างโอเคคัะขอบคุณค่ะ คำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะอาการกลัวหรือแพนิคเป็นอาการของขันห้าหรืออาการของจิตคะของจิตของกิเลสกิเลสมันไม่ชอบของที่มันเป็นไทยต่อต่อตัวมันมันก็เลยกลัวเช่นกิเลสมันคิดว่าร่างกายเป็นตัวมันแล้วถ้าอะไรมากระทบกับร่างกายมันก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาแต่ถ้าเรามีปัญญาสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราต่อไปเราก็จะหายกลัว พอเรารู้ว่าไม่ใช่เราแต่ตอนนี้เราไปหลงคิดว่ามันเป็นเราแต่ถ้าเราฝึกสมาธินั่งสมาธิบ่อยๆแล้วเราจะเห็นตัวเรากับร่างกายแยกออกจากกันแล้วต่อไปเราก็บอกว่าฉันไม่กลัวแล้วเพราะฉันไม่ไม่เจ็บฉันไม่ตายผู้ที่เจ็บผู้ที่ตายไม่ใช่ไม่ใช่ตัวฉัน ม, มันร่างกายมันต้องเจ็บมันต้องตาย <c oughs> แต่ใจไม่เจ็บไม่ตายไะนั่งสมาธิเราแยกใจออกจากร่างกายไว้ชั่วคราว พอเวลากลับเข้ามารวมกันเราก็ต้องคอยใช้ปัญญาเตือนใจว่าร่างกายไม่ใช่เราเนะมันต้องเจ็บมันต้องตายเป็นธรรมดาปล่อยมันเจ็บไปมันตายไปคอยเตือนใจอยู่เรื่อยแล้วเราก็จะไม่กลัวต่อไปเราก็ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตาย ถ, ถ้าอยากจะพิสูจน์ก็ต้องไปหาเสือหาอะไรมาซ้อมดูก่อนว่ากลั ว, ก ล, วกลัวจริงหรือไม่กลัวจริง ถ้าไม่กูจริงก็จะเฉยเฉยมึงอยากจะกัดก็กัดมึงไม่ได้กัดกูมึงกัดั่างกายซึ่งไม่ใช่เป็นตัวกูคิดอย่างนี้ไปเซาค่าจากจากทางยูทู b e ซาค่ะขออนุ ญ, ญาตกราบเรียนถามนะคะดวงวิญญาณที่ไปรับผลบุญที่สุขติยปูมเช่นไปเป็นเทวดามีอายุแค่หลักเดือนของมนุษย์ แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อได้เลยไหมคะเดิมเข้าใจว่าเวลาเทวดาหนึ่งวันคือหลายสิบปีเมื่อเทียบกับมนุษย์ใช่เวลาของเทวดามันยาวกว่าของมนุษย์ไม่ใช่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนของมนุษย์นี่ของขอ ง, ของเทวดาหนึ่งเดือนของเทวดานี่อาจจะเป็นร้อยปีของมนุษย์ก็ได้แต่มันไม่มีใครรู้หรอกจะกลับมาเมื่อไหร่แต่มันกลับมาแน่ๆเมื่อบุญหมดเมื่อไหร่มันก็ ตก จ, จ, จากฟ้าลงมาตก จ, จากสวรรค์ลงมาแล้วก็มาเข้าคิวรอรอรับร่างกายซึ่งแล้นแต่ยุคแต่สมัยบางสมัยก็มีมีลูกกันเยอะบางสมัยก็มีลูกน้อยนั้นคิวก็อาจจะช้าหรือเร็วต่างกันไปตามยุคตามสมัยค่ะจากคุณนาวินกราบเรียนถามพระอาจารระหว่างวันเมื่อมีความคิดที่เป็นกิเลสลอยมา ให้ท่องพุทโธจนความคิดที่เป็นกิเลสดับไปใช่ไหมครับใช่ไม่ควรรอให้มันมาเราควรจะกันไว้ก่อนเลยเราควรจะพุทโธไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าไม่มีอะไรคิดแล้วค่อยหยุดพุทโธอย่าไปอย่าปล่อยให้มันคิดแล้วพอมันมาแล้วค่อยไปคิดพุทโธอาจจะสู้มันไม่ได้เพราะมันจะมาแรงกว่าเราแล้วเราต้องตั้งเราต้องบุกมันก่อนก่อนที่จะให้มันมาบุกเราอย่ามาตั้งรับตั้งรับเราจะสู้มันไม่ได้ อย่ามาพูดโทรตอนที่เราโกรธแล้วมันอาจจะหยุดมันยากกว่าแต่ถ้าเราคอยพูดโทรพูดโทรไว้ก่อนเพราะมันจะโกรธปั๊บเราก็หยุดมันได้ทันทีเลยค่ะจากทาง YouTube ชาค่ะกระาเรียนถามพระชาจรพระที่ปรารถนาพุทธภูมิจะมีปฏิปทาเช่นไรครับก็จะมีความเมตตาเป็นพิเศษ ย, ยังไม่อยากจะทาอะไรเพื่อตัวเองอย่าทาจิตอาสาไปเรื่อยๆก่อน ยังไม่อยากไปบวชแต่พวกที่ไม่ใช่เป็นพุทธภูมิเป็นพวกเป็นสาวกภูมิก็ไปบวช ด, ดีกว่าจะได้จะได้บรรลุในชาตินี้เลยถ้าเป็นพุทธภูมิอาจจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกอีกล้านชาติก็ได้กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเ จ, จ้าค่ะจากยูบเจ้าค่ะสมาธิระดับใดที่ควรใช้แก่การพิจารณาปัญญาเมื่อออกจากสมาธิ อัปนาสมาธิหรือฌานสี่ต้องมีอยู่เบกขาใจเป็นกลางใจไม่รักชังกลัวหลงเวลาพิจารณาอะไรจะได้ไม่ตื่นเต้นตกใจถ้ายังมีรักชังกลัวหลงอยู่จะไม่กล้าพิจารณาความตายจะไม่กล้าพิจารณาสุภาจะไม่กล้าพิจารณาปฏิทูลอาหารเพราะมันเป็นของที่น่าขยะแขยงแต่ถ้าใจมีอยเบกขาแล้วก็เฉยเฉยเฉยสามารถพิจารณามองตามความเป็นจริงได้ การพิจารณาอาหารนะคะพระอาจารย์พิจารณาไปแล้วมันทําให้เราเบื่ออาหารไปเลยไม่ติดรสชาติใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่กินตามความอยากแต่กินตามความต้องการของร่างกายได้เวลาร่างกายหิวก็ให้อาหารมันได้แต่เวลามันมันไม่หิวเราก็ไม่ต้องให้ไม่ต้องหาอะไรมาให้มันกินเจ้าค่ะยังไม่มีคํำถามเข้ามาเจ้าค่ะ ถ้าไม่มีปฏิกูลนี้บางทีมันกินทั้งวันทั้งคืนอ่ะพอนึกถึงอาหารปั๊บก็กินทันทีเลยแต่พอนึกถึงปฏิกูลปั๊บก็เบรกมันได้ทันทีเรนต้องใช้ปฏิกูลคอยเบรกมันอนุญาตให้มันกินตอนที่เรากําหนดเวลาไว้เช่นกินมื้อเดียวกินสองมื้ออะไรทํานองนี้นอกจากนั้นแล้วระหว่างมื้อเราจะไม่ให้มันกินอะไรพอมันอยากจะกินก็นึกถึงปฏิกูลขึ้นมามันก็จะหายอยากกินทันที อาหารจานนี้ต่อไปมันจะต้องเป็นไปอยู่ในส่วมนะเรากินอะไรเรากินอาหารเรื่องกินเข้าที่อยู่ในส่วมกันออนึ่ถึงอย่างนี้ได้มันก็ไม่อยากกินแล้วยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะอะมีใครอยากจะถามอนึ่งไหมมีคําถามจาก youtube เข้ามาเจ้าค่ะช่วงหลังความตายหนึ่งร้อยวันเราจะไปที่ไหนคะ อ๋อเราไปตามบุญตามบาปนถ้าเราถ้าบุญพาไปก็ไปสวรรค์ถ้าบาปพาไปก็ไปอาบายเจ้าค่ะจากเฟ e บุ๊กเจ้าค่ะเมื่อกี้ที่ทีเ่เรื่องการพิจารณาอาหารนะคะมีคนถามเข้ามาว่าแล้วพระท่านจะมีโอกาสขาดสารอาหารไหมคะถ้าฉันไ่าเราพระเจ้าอยู่ตั้ง80ดสิปีครูบาอาจารย์อยู่ตั้ง1้อยปีต้องเยอะแยะไป อาหารมันมีอาหารมันมีสารครบแล้วแหละเพียงแต่เราไปไปหลงกับมันมากเกินไปเลยไปวิเคราะห์ว่ามันขาดนุน่นขาดนี่ควจริงมันมันอยู่มันอยู่ได้น่ะไม่ต้องกลัวหรอกนึงน่าจะใช่เจ้าขาหนูเห็นคนสมัยก่อนทานาาน้ำพริกหนึ่งอาทิตย์ก็ยังไม่แข็งแรงเขาก็าอยู่ร0อยปีก็มาก็ต้องเยอะแยะไม่เข า, าไม่มีหยูกยาเหมือนสมัยนี้เขาก็าอยู่องท้องกันมาได้ ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคถ้าไม่มีเราก็จะเลิกนะมีคำถามหรืออาเชิญเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวมาหยิบไม้มาหยิบไม้แมพูดเอาหยิบไม้พูดจะได้ยินได้ฟังกันมาครั้งแรกครับหลวงพ่ออยากถามว่า ที่เราทราบกันดีว่า the more we love and the more we suffer ถูกไหมครับถูกยิ่งรักยิ่งยิ่งทุกทีนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าอย่างผมจะเลิกใช้คาว่า love กับหลวงพ่อครับผม love หลวงพ่อไม่ว่าจะเป็น unconditional love ผมอยากรู้ว่า love แบบนี้จะ suffer ด้วยไหมครับถ้าเกิด more love คือมันมีรักแบบสองแบบรักแบบครอบครองเขาจะ suffer ถ้าถือว่าเป็นสมบัติของเราห่วงรเราก็จะรักจะห่วง แต่ถ้ารักแบบไม่ครอบครองเช่นรักแบบเมตตารักกับคนที่ทุกคนเาอยากจะให้เขามีความสุขด้วยความรักปรารถนาดีอย่างนี้เราจะไม่ทุ f ข์เพราะาเราจะไม่ถือว่าเขาเป็นสมบัติของเราเราไม่ครอบครองเขาก็คือ controllable นั่นเองเกี่ยวกับการค n t r o l นั่นเองเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไปยึดไปถือว่าเป็นของเราหรือเปล่าอันไหนถ้าเราไปยึดไปถือว่าเป็นของเราเราจะทุกข์ เช่นรถยนต์นี่ถ้าเราไปถือว่าเป็นของเราปับ๊บมันก็จะทุกข์กับรถยนต์ทันทีครับแต่ถ้าเราไม่ยึดว่ามันของเราเช่นรถเช่ามานี่เราก็จะไม่ทุกข์ใช่ไหมครับไม่มีเลยทางแล้ครับโอเคอยู่ที่ว่าเราไปยึดติดหรือเปล่ารัก แ, แบบไหนรักแบบอุปทานรักเหแบบไม่มีอุปทานถ้ารักแบบยึดติดว่าเป็นของเราเราจะทุกข์เพราะเราจะหวงเราจะห่วงแต่ถ้าไม่ถือว่าเป็นของเราเราไม่สนใจมันจะพังกันเรื Johnny ่องของมันไปนะ งั้นจะรักได้แต่รักแบบไม่ยึดไม่ติดเขาครับบุคคลที่เรารักหรือสิ่งที่เรารักโอเคเอาเถอมีคำถามเจ<ะ>้าค่ะมีสองคำถามค่ะถ้าพิจารณาปฏิกูลอาหารแล้วลืมไม่ได้ค้างในจินตนาการจะเป็นอย่างไรไหมคะคือเราจะพิจารณาปฏิกูลตอนที่เราอยากกินที่ยังไม่ถึงเวลาจะ ก, กิน แต่พอถึงเวลาจะกินอย่าไปพิจารณากินให้เต็มที่ไปเลยเพราะางั้นเดี๋ยวมันกินไม่ลงพอถึงเวลาจะจะกินแล้วไปพิจารณามันก็จะกินไม่ลงเราพิจารณาเฉพาะเวลาที่เราโลภมากเกินไปอยากจะกินมากเกินไปให้มันกินพอดีอพอเราต้องดีกงบร่างกายอยู่คุณแมทถามเสริมเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับความรักเมื่อกี้เจ้าจค่ะ กราบพระอาจารย์ทำอย่างไรให้รักแบบไม่ยึดติดครับก็ให้รู้ว่าเป็นของชั่วคราวไนงะทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาถ้าไปยึดไปติดกับของที่เราไม่เที่ยงเดี๋ยวพอเข้าจากเราไปเราก็จะเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราไม่ถ้าเรารู้ว่าเขาไม่เที่ยงเราก็จะไม่ยึดไปติดกับเขาเราพร้อมที่จะให้เขาไปพร้อมที่ให้เขาตายจากเราไป เราก็จะไม่ทุกเวลาเขาจากมาไปเจค่ะแล้วก็มีเข้ามาถามว่าสภาวะที่จิตว่างจะพิจารณาอย่างไรครับ อ, อ่าไม่ต้องพิจารณาแล้วเราต้องการให้จิตว่างเพราะจิตว่างเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นที่ปลอดภัยที่สุดของจิตจิตจะสุขจิตจะสบายเวลาที่จิตว่างออพยายามรักษาจิตว่างให้ได้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เวลาเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาก็ต้องกําจัดกิเลสที่มาทําให้จิตเราไม่ว่าง เช้าค่ะจากเฟซบุ๊กเช้าค่ะโยมอยากปฏิบัติจนมรรคผลนิพพานแต่โยมยังมีครอบครัวที่ต้องดูแลโยมจะปฏิบัติอย่างไรได้บ้างเจ้าค่ะก็ทําเท่าที่เราทําได้ไปก่อนเราให้ครอบครัวเราตายไปก่อนหรือหายไปก่อนแล้วเราค่อยไปบวชต่อไปค่ะคําคถามหนึ่งค่ะหลักปฏิบัติพระอริยะเจ้าเป็นอย่างไรครับ ก็ปฏิบัติศินสมาธิปัญญาด้วยความเข่งขัดสุปฏิปันโนอุชูปฏิปันโนยายะสามิจิปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชอบค่ะยังไม่มีคำถามค่ะโอเคเอาเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนํเาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิพิจารณาไปปฏิบัติ